ผู้นำเนี่ยดีและมีธรรมะลูกน้องที่ตามตา ม, มาถ้าอยู่ในปกครองจริงแล้วก็ถ้าลูกน้องเนี่ยศรัทธาผู้นำจริงก็ปฏิบัติตามวันลูกน้องหรือบริวาร น, นั่นเองก็จะมีธรรมะตามไปด้วยเพราะนั้นพอพระราชาเนี่ยตัดสินโดยโดยธรรมพวกอำมาตย์ข้าราชการอะไรต่างๆก็ตัดสินโดยธรรมเหมือนกัน เมื่อคดีทั้งหลายได้รับการวินิจฉัยโดยธรรมจึงไม่มีคดีโกงเกิดขึ้นคือพูดง่ายๆว่าคนเราเนี่ยเมื่อได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรมอย่างถูกต้องใช่ไหมมันก็พอใจอะ่ะแล้วพวกคนเลวเนี่ยถ้าโดนตัดสินโดยธรรมด้วยใช่ไหมทำเลวมาจริงก็ต้องโดนลงโทษจะโทษหนักโทษเบาอะไรก็แล้วแต่คนนั้นวันหลังเนี่ยถ้าจะไปทำผิดเดี๋ยวโดนลงโทษอย่างยิงยินะ เพราะอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ทําให้เราคนเราเนี่ยเปลี่ยนจากเลวมาเป็นดีได้เพราะถ้ามีการตัดสินโดยธรรมเพราะดูว่าถ้าไปทําผิดอย่างนี้จะต้องโดนลงโทษอย่างนี้เพราะคนเราก็จะกลัวกลัวก็เลยไม่กล้าไปทําชั่วไม่กล้าไปทําเลวไม่กล้าไปทําผิดอย่างนั้นนะก็จะต้องทําดีอันเนี้ยจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตาม แต่กลัวโดนลงโทษมาเมื่อกลัวโดนลงโทษก็เลยต้องมาทําดีเหมือนบางทีเนี่ยอพ่อแม่ครูเด็กไอ้ครูลูกใช่ไหมเอ้าไปทําอย่างงี้โดนตีนะมันไม่ดีอย่างนี้นะมันต้องต้องถูกต้องตรงทำด้วยนะไม่ใช่ไปครูแบบสเปรย์สป่าเนอะอันนี้ครูแล้วถ้าเขาไปทําผิดมาจริงอ้าวเราก็ลงโทษตามนั้นครับถึงขั้นต้องตีก็ต้องตี อย่างนี้นะเพราะนั้นวันหลังเนี่ยก็จะกลัวจะไม่กล้าไปทําแต่บางทีเขาทําผิดมาเบาโอ้โหแต่ไปลงโทษเขาหนากักนี่ก็ไม่ยุติธรรมแล้ววันหลังเด็กไม่เชื่อไม่ยอมก็ได้เพราะโอ้โหเขาทําผิดแค่นี้ลงโทษเขาหนักเชอะพวกนี้วันหลังเนี่ยจะยิ่งแอบทําผิดใช่ไหมเพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมสําหรับเขาอะ วันเข้าประชดมั่งอะไรมั่งไปตามเรื่องเขาวันการตัดสินคดีเนี่ยต้องให้ถูกต้องด้วยต้องให้เหมาะสมวันการตัดสินนั้นน่ะจะทําให้คนเนี่ยยอมรับได้เมื่อคนยอมรับได้คนจะไปทําเลวทํำร้ำายก็จะน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นในที่นี้เหมือนกันก็ปรากฏว่าพวกคดีโกงกินอะไรต่างๆนะก็เลยลดลงไปลดลงไปเรื่อยก็เพราะไม่มีคดีคดโกงต่างๆ เหล่านั้นการร้องทุกข์หน้าพระลานหลวงเพื่อให้เกิดคดีก็หมดไปปรากฏว่าไม่มีคนไปร้องทุกข์เลยคราวนี้ดังนั้นพวกอมตะนั่งบนบัลลังก์อยู่ตลอดวันก็ไม่เห็นใครๆมาเพื่อให้พิจารณาคดีจนต่างก็ลุกกันกลับไปปล่อยให้สถานที่วินิจฉัยคดีนั้นถูกทอดทิ้งไว้อย่างเงียบเหงา หมายความว่าเห็นไหมถ้าพระราชาเนี่ยดีตัดสินถูกต้องอํามาตย์ต่างๆปฏิบัติตามพระราชาก็ตัดสินดีถูกต้องเพราะในที่สุดประชาชนชาวบ้านต่างๆเลิกเลิกทําเลวทําร้ายเลิกทําชั่วเพราะทําชั่วแล้วต้องโดนตัดสินโดนลงโทษนะไม่เหมือนทุกวันนี้บางทีโอ้โหทําผิดไม่โดนลงโทษอะไระหลบได้เลี่ยงได้เผลอๆยังมีอำนาจหรืออะไรอะ่ะ มีตำแหน่งมีฐานะอะไรอยู่ได้อย่างเงี้คนมันไม่ยอมหรอกแล้วพอคนไม่ยอมอย่างนี้ก็เลยยิ่งคิดไปว่าเห็นไหมคนรวยคนมีอำนาจคนอะไรโกงกินอะไรยังสุขสบายมันยังอยู่ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนก็จะไปเอาแบบอย่างนั้นนั่นแหละมันก็ยิ่งวุ่นวายบ้านเมืองก็ยิ่งแย่เพราะอันนี้เป็นความสําคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้สารเหมือนกับล้างเลยเหมือนกับเมืองล้างไปเลยสารนี่ย เพราะไม่มีคนมาฟ้องร้องอะไรคดีหมดพระเจ้าพรมทัส ท, ทรงดำริว่าเมื่อเราคลองราชสมบัติโดยธรรมไม่มีผู้คนมาให้วินิจฉัยคดีไม่มีผู้มาร้องทุกสถานที่วินิจฉัยคดีก็ถูกทอดทิ้งไม่มีความหมายเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นสารไม่ต้องมีเลยถ้าคนเรามาปฏิบัติธรรมนี่นะเพราะว่าในธรรมะในศีลในอะไรมันก็มีบทลงโทษอยู่แล้วด้วย เพราะนั้นแทบไม่ต้องมีกฎหมายแทบไม่ต้องมีสารเลยตัดทิ้งไปได้เลยถ้าคนเนี่ยแค่มาถือศีลจริ ง, ร ง, รงปฏิบัติธรรมจริงๆเท่านั้นแหละเพราะนั้นสารยกทิ้งไปได้อันนี้บัตรนี้ใช่ไหมคือคื อ, คอปอท่านเห็นว่าเอมมันยังไงเนี่ยไม่มีใครมาร้องทุกข์เลยบัตรนี้เราควรตรวจตรวจสอบโทษของตนเองดูได้แล้ว หากเรารู้ว่านี้เป็นโทษของเราก็จะเลิกโทษเหล่านั้นเสียประพฤติในสิ่งที่เป็นคุณเท่านั้นคือพูดง่ายๆมันไม่มีใครมาร้องทุกข์กับกับพระราชานี้เลยนะพระเจ้าพร ม, มทัตเนี่ยท่านก็เลยเอท่านก็ไม่ได้ไปเหมา่นะว่าว่าเอ๊เพราะว่าท่านทำดีหมดเลยจนเรียกว่าชาวบ้านชาวช่องเ้าเลยไม่มาท่านก็ยังมานึกต่อไปอีกว่า เออมันไม่แน่นะอาจจะไม่รู้ท่านทําไม่ดีอะไรไว้หรือเปล่าชาวบ้านเจ้ชาช่องถึงไม่กล้ามาเออท่านเห็นไมดูดูสภาวาจิตของคนดีนะจิตของคนดีเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าข้างแต่ตัวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะนึกอยู่ด้วยว่าเออเราผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยชาวบ้านจ้ชาช่องถึงไม่มาเลยอะ่ะทำมท่านกับมาตัวสอบตัวเองว่าตัวเองมีผิดอะไรไหมถ้าผิดพลาดอะไรก็จะแก้ไขซะจะเลิกอย่างนั้นซะเพราะ ท่านจะปฏิบัติแต่คุณความดีเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็ทรงสำรวจดูว่าจะมีใครๆพูดถึงความผิดของเราบ้างหนอเห็นไหมไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่นั่งคิดเองด้วยนะเพราะคิดเองเข้าข้างตัวเองอีกก็ได้เพราะนั้นเอ้ยไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวต้องลองดิลองลอ ง, ล อ, งอะไรอะ่ะใหฟะนน้ฟังเสียงอะไรคุณนางฟังเสียงอะไรดูสิว่าว่า ว่ามีผิดอะไรบ้างไหมยนะปรากฏว่าก็ไม่ทรงเห็นใครใครกล่าวถึงความผิดใดๆบ้างเลยในระหว่างข้าราชปริพา์ภายในกลับทรงสดับแต่คําสรรเสริญคุณของพระองค์เพียงถ่ายเดียวโอ้แสดงว่านะไปถามใครๆก็ปรากฏว่ามีแต่คนยกย่องสรรเสริญทั้งนั้นเลย ไม่มีใครตาหนิเลยตอนนี้พอถึงขั้นนี้แล้วนะพวกในวังเพื่อง่ายถามพวกในวังเสร็จแล้วโอ้ยังเป็นไปได้อีกอะในวังอาจจะกลัวก็ได้ใช่ไหมก็เลยไม่มีใครกล้าตาหนิไม่มีใครกล้ากล่าวโทษเพราะนั้นท่านก็เลยทรงเนี่ยทรงตํหนิทรงคิดว่าชลอยชนเหล่านี้เพราะกลัวเราจึงไม่กล้ากล่าวถึงโทษภัยความผิดของเรากล่าวแต่คุณเท่านั้นดังนั้นเอง จึงทรงสอบถามข้าราชการบริพารภายนอกเอาละตอนนี้ถามพวกข้าราชการที่อยู่นอกเมืองและไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่อยู่ในในวังอยู่นอกวังก็ถามแม้ในหมู่ข้าราชบริพารเหล่านั้นก็มีแต่สารเสริญอีกยังคงไม่มีใครกล่าวโทษเลยจึงทรงสอบถามชาวเมืองภายในพระนครทรงสอบถามชาวบ้านที่ ที่อยู่ในประตูเมืองทั้งสี่เนี่ยแม้ในที่นั้นก็ไม่ได้ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงความผิดใดๆเลยโอ้โหถามถึงขนาดนี้นี่ก็ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะเอาง่ายๆเอาแค่เราเนี่ยแค่เคยถามคนในบ้านมันม่งไหมฉันผิดอะไรบ้างหรือเปล่า <laughs> เคยไหมตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องถามคนอื่นนะนะเอาถามแค่คนในบ้านเราเท่านั้นเนี่ยเคยถามมัม่งไหม ว่าเออ เ, เราเรามีความบกพร่องเรามีความผิดพลาดอะไรบ้างไหมไหนช่วยจดหน่อยที่เอาเป็นข้อข้อนะทีแล้วก็ลองถามดูบ้างสิเออเพื่อจะรู้เพื่อจะรู้บ้างว่าเราเป็นยังไงส่วนเขาจะบอกผิดบอกถูกยังไงอีกเรื่องหนึ่ง น, นะอันนั้นเราเราก็มาพิจารณาอีกทีหนึง่งแต่อย่างน้อยเราจะได้ฟังความที่เห็นฟังความรู้สึกของคนที่เราอยู่ด้วยคนที่เราใกล้ชิดว่าเขารู้สึกยังไง บางทีเราอาจจะโมหะเราอาจจะหลงตัวเองก็ได้นะแหมเรานึกว่าเขาศรัทธาเขารักเรานักหนาโอ้โหพอให้เขาเขียนมาโอโ้เราบกพ่องนี้เยอะแยะไปหมดเลยเหรอจะได้รู้ตัว <c oughs> ว่าบางทีนะเออเขาเกรงใจมัง่งหรือเขาเกรงกลัวมัง่งเขาก็เลยไม่กล้าอพอถามทีไรก็โอ้ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วเอต้องระวังนะ เพราะว่าจริงๆนะยิ่งใครเนี่ยที่มีบุคลิ ก, กแบบใช้อำนาจใครมีบุคลิ ก, กที่แบบแบบเผด็จการรับรองคุณจะไม่ค่อยได้รับความจริงในแง่ลบของเราเนี่ยจากคนคนใกล้ชิดสักเท่าไหร่หรอกเพราะเขากลัวเพราะอะไรพอเขาจะบอกเราทีอย่างเงี้ยโดนใส่กับโดนใส่กับหรือว่าโกรธอย่างเงี้ยบางทีพอเขา เขาบอกข้อบอกพร่องมาหน่อยโกรธโหว่ากับเป็นกระบุงเป็นบุ้งกีอะไรเงี้ยใครจะกล้าเหล่างี้อีกหน่อยไม่กล้าหรอกไม่กล้าพูดหรอกเพราะจะพูดกับเราต้องพูดแง่ดีเท่านีน้เพราะอะไรขืนพูดแง่ไม่ดีเดี๋ยวโกรธเพราะฉะนั้นคนนั้นจะไม่มีวันรู้จักตัวเองเลยแล้วก็จะหลงตัวเองด้วยนึกว่าตัวเองดีนักดีหนาที่แท้จริงเนี่ยโอ้โหจุดบกพร่องเยอะแยะอย่างเงี้ยนะถ้ารับหลังเนี่ยเขาจะไปนินทา รับหลังเนี่ยเขาจะไปว่าเสียหายเยอะแต่ต่อหน้าเขาจะพูดดีๆ <c oughs> ให้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคนนั้นระวังนะอันตรายนะเพราะจะไม่รู้จุดบกพร่องของตัวเองซึ่งจะไม่มีโอกาสแก้เลยเพราะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ต้องรู้ก่อนว่าตัวเองปิดพลาดอะไรนะอันนี้เห็นไหมพระราชาพระเจ้าพมทัทนี่ มีสติปัญญาแล้วก็เป็นบัณฑิตอย่างมากเลยนะดูจากที่จะถามไปเรื่อยนี่ถามไปถึงคนอะไรอะชาวบ้านแล้วนะถามคนในในในเมืองแล้ะตอนนี้ก็ปรากฏว่าพระองค์ก็ยังทรงดำริอีกว่าเราจะต้องไปตรวจสอบชาวชนบทดูคือในเมืองเนี่ยรู้ละเออบางทีรสติยมในเมืองก็อย่างหนึ่งใช่ไหม าลากยากอีกอย่างใช่ไหมลากยากเขาอาจจะไม่ชอบเหมือนกับคนชาวเมืองในกรุงอ่ะอเพราะฉะนั้นคนในกรุงอาจจะชอบพระราชาพระองค์นี้ก็ได้แต่คนชนบทอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกอเดี๋ยวต้องไปลองดูซิแล้วก็ท่งมอบราชสมบัติให้เราอมตดูแลสเสด็จขึ้นรถไปกับสารถีเท่านั้นทรงปลอมพระองค์ไม่ให้ใครรู้จัก สเสด็จออกจากพระนครคือคนที่จะรู้จักพระเจ้าอยู่หัว อ, อ, อะไรพระมหากษัตริย์สมัยก่อนนะไม่ง่ายนะยากใช่ไหมไม่มีกล้องถ่ายรูปเหมือนเดี๋ยวนี้นี่แล้ว ไ, ได้ถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์เออเห็นหน้าเห็นตามหมดใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยบางทีสเสด็จไปไหนก็โอ้โหให้ปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างปิดอะไรเลยนะใช่ไหม เรียกว่าไม่ค่อยได้มาเห็นหน้าเห็นตากษัตรเลยโด้ซ้ำไปเพราะนั้นจะไม่มีใครรู้จักสักเท่าไหร่แล้วเพราะนั้นยิ่งสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหยิ่งปลอมพระองค์แต่งชุดเป็นชาวบ้านธรรมดาคนยิ่งไม่รู้จักอย่างเลยนักเลยเสด็จออกจากพระนครพยายามสอบถามชาวชนบทต่างๆจนเสด็จถึงภูมิประเทศชายแดนแห่งหนึ่ง ก็ยังไม่ได้ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงโทษผิดของพระองค์ทรงสดับแต่คําสารเสริญพระคุณเท่านั้นจึงทรงบ่ายพระพักสู่พระนครสเสด็จกลับตามทางหลวงจากเขตชายแดนนั้นคือถามไปจนถึงชายแดนและเพราะนั้นก็โอ้โหไม่มีใครตำหนิเลยก็เลยเอาสิถามหมดแล้วนี่แสดงว่าพระองค์เป็นผู้ที่มากบา ร, รมีจริงๆ ทำความดีจนกระทั่งหาข้อตําหนิข้อเสียอะไรไม่ได้เลยคราวนี้ก็เลยรู้ชัดเจนละไม่ได้โกหกตัวเองไม่ได้หลอกตัวเองไม่ได้หลงตัวก็เลยเสด็จกลับละในช่วงขณะเดียวกันนั้นแม้พระเจ้าโกศลพระนามว่าพันลิกะคือคือมีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งนชื่อว่าพันลิกะกษัตริย์พระองค์นั้นพระเจ้าพ ม, มาทัศ แม่พระเจ้าพันลิกะเนี่ยก็ทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรมนะทรงตรวจสอบหาโทษของพระองค์เองในบรรดาข้าราชบริพารเช่นกันแต่ไม่ได้ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงโทษภัยเลยทรงสดับแต่คําสรรเสริญพระคุณของพระองค์เท่านั้นจึงทรงตรวจสอบไปจนถึงชาวชนบทจนกระทั่งเสด็จถึงภูมิประเทศเดียวกันนั้นพูดง่ายๆว่ากษัตริย์สองพระองค์ มาจักเอนมาจเอกันคือกษัตริย์สองพระองค์นี้ดีทั้งคู่เลยนะคือพระเจ้าโภมทัศกับพระเจ้าพันลิกะนะก็ตรวจสอบหมดเลยจนกระทั่งแน่ชัดแล้วว่าไม่มีเสียหายอะไรเลยมีแต่ดีถ่ายเดียวตรวจสอบเสร็จก็ต่างคนก็ต่างเสด็จกลับละปรากฏว่ามาสวนทางกันพอดีณทางเส้นหนึ่ง นะซึ่งบังเอิญบังเอิญไอทางที่สวนกันเนี่ยปรากฏว่าวันเวอะไรอะรถไปได้คันเดียวไปได้คันเดียวสวนกันไม่ได้แล้วก็ไปจะเอระหว่างทางอย่างเงี้ยเพราะนั้นหมายความว่าต้องมีข้างใดข้างหนึ่งหลบให้ กษัตริย์ทั้งสองจึงได้ประจันหน้ากันในที่ทางเกวียนอันลา่าบร่มแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีทางที่รถจะหลีกกันได้สารธีของพระเจ้าพันลิกะจึงพูดกับสารธีของพระเจ้าพรหมทัตว่าจงหลีดรถของท่านสารธีของพระเจ้าพรหมทัตก็ตอบว่าพ่อมหาจันเลยขอให้ท่านหลีดรถของท่านก่อนเถิดบนรถนี้มีพระเจ้าพรหมทัตมหาราช ผู้ครอบครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีประทับนั่งอยู่อ่าสารถีบอกก่อนสารถีอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดว่าพ่อมหาจํเริญบนรถนี้พระเจ้าพันลิกะมหาราชผู้ครอบครองราชสมบัติในแคว้นโกสงก็ประทับนั่งอยู่ขอท่านได้โปรดลีลดรถของท่านแล้วให้โอกาสแก่รถของพระราชาของเราเถิด ตอนนี้สารถีสองสารถีกําลังปราบวิวาทะกันแล้วนะบอกว่าผู้สํานวนชาวบ้านนะแกลีกไปสินี่เจ้านายฉันเออนั่ น, น, นก็แกลีกไปสินี่เจ้านายฉันนะไม่ใช่เจ้านายกระจกนะนี่เป็นพระราชาเลยนะ <c oughs> ฟังดังนั้นสารถีของพระเจ้าโภมทัศน์คิดในใจว่าแม้ผู้ที่นั่งอยู่ในรถนั้น ก็เป็นพระราชาเหมือนกันเราควรจะทำอย่างไรดีหนอคือกำลังคิดแล้วเอ๊จะทาไงดีสักศีเท่ากันะพระราชาด้วยกันทั้งคู่ท่านใดนั้นก็นึกขึ้นมาได้เราน่าจะถามถึงวัยหากพระราชาใดมีพระชนษามากกว่าก็ให้รถของพระราชาหนุ่มลีกไปคือให้ให้ที่อายุมากกว่าไปก่อนนี่แล้วให้พระราชาทาน โอกาสแก่พระราชาที่แก่กว่าคั้นตกลงใจแล้วจึงถามถึงวัยของพระเจ้าพาลิกะกับสารถี<ๆ>ก็เลยถามว่าพระเจ้าพาลิกะพูยง่ายพระ ช, ระชนสาเท่าไหร่พระเจ้าพโมทัตพระชนสาเท่าไหร่ปรากฏว่าพอถามอายุเสร็จปรากฏแล้วกำหนดกันแล้วแต่ผลปรากฏว่าพระราชาทั้งสองมีวัยเท่ากันอีก อะไรจะขนาดนั้นแม้จะเกิดวันเดียวปีเดียวอะไรกันเลยเฉลยเนี่ยแต่ตามชาดอกนี้เท่ากันเป๊ะเลยทุกประการเพื่อที่เพื่อที่จะให้เห็นว่าเอาแล้วจะทํำยังไงอะ่ะถ้าเกิดมี ม, มีวัยที่เท่ากันแล้วใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็เลยจึงถามถึงปริมาณราชสมบัติ กำลังพลยศชาติโคตตระกูลพูดง <c oughs> โโา่ายโอ้โหถามไล่ไปเรื่อยนะถามใครมีสมบัติมากกว่ากันอใครมีกําลังพลอ่ะคือมีกองทัพมากกว่ากันใครมียศมากกว่ากันอยศก็เท่ากันอีกชาติกําเนิดเป็นไงโคตรตระกูลเป็นไงอ่าปรากฏว่าพอถามประเทศอ่ะใครใครปกครองเมืองใหญ่กว่ากัน ขั้นตรวจสอบแล้วทั้งสองฝ่ายเป็นผู้คลองรัตศีมาประมาณฝ่ายละ300ยชอดมีกำลังพลยศชาติโคตรตระกูลและประเทศทัดเทียมกันอีกก็ช่างพระพุทธเจ้านี่ก็ช่างเล่านะเรื่องชนิดที่เรียกว่าโอ้โหจะให้แง่คิดมากๆเลยอาตมากำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกเนี้ย มันเป็นการตัดสินแบบโลกโลกโลกโล ก, ก็ใช้วิธีพวกเนี้ยตัดสินใช่ไหมว่าเออใครเป็นยังไงใครมีกำลังมากกว่าใครอะไรนะตัวใหญ่กว่าเออใครแข็งแรงกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะใครรวยกว่าเนี่ยวิธีการแบบโลกโลกก็จะใช้ตัดสินกันแบบอย่างนี้เนี่ยท่านก็เล่ามาเรื่อยๆปรากฏว่าเท่ากันหมดแล้วจะทำไงในที่สุดก็ฉุกคิดได้ว่า เราจะให้โอกาสแก่ผู้มีศีลสูงกว่าคือมันจนแต้มไปหมดแล้ววิธีการแบบโลกโรคนี่มันจนทางหมดแล้วจะถามอะไรต่ออะไรอะไรก็เท่ากันหมดนี้มันนึกได้แบบเพิ่งมันนึกได้นะเออต้องใช้ทางธรรมแล้วจึงถามว่าพ่อมหาจำเดินศีลและมรารยาแห่งพระราชาของท่านเป็นอย่างไรคือคราวนี้จะตัดสินกันด้วยคุณธรรม เรื่องของความดีนะเรื่องของศีลเมื่อนั้นสารถีจึงประกาศคุณแห่งพระราชาของตนว่าพระเจ้าพันลิกราชทรงแข็งต่อผู้ที่แข็งทรงอ่อนต่อผู้ที่อ่อนทรงชนะคนดีด้วยความดีทรงชนะคนไม่ดีด้วยความไม่ดีพระราชาของเรามีคุณเป็นอย่างนี้ ดูก่อนสารถีท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิดอันนี้หมายถึงสารถีของพระราชาพระเจ้าพาริกะนะบอกคุณสมบัติมาว่ามีคุณธรรมยังไงบ้างแข็งต่อผู้ที่แข็งคือใครใครมาอะไรอ่ะมาต้านใครมาโตเถียงใครมาอะไรนี้ก็ จะได้รับอย่างนั้นตอบอ่ อ, อ, อนกับผู้ที่ อ, อ่อนพูดง่ายใครมาสูหกใครมายอมก็เลีเ้ยงดูปูเสือให้ไม่รู้เหมือนใครก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วก็ทรงชนะคนดีด้วยความดีอถูกต้องใช่ไหมอันนี้แต่ทรงชนะคนชั่วพูดง่ายด้วยความชั่วคือลิ้นอ่าไม่ใชลิ้นฟันต่อฟันตาต่อตาเลีวมา ต้องโดนเลวตอบนะคือพูดอย่างไรว่าก็เลวอะ่ะเพราะนั้นเร็วอย่างนี้ใช่ไหมไอ้พวกนี้ค้ายาใช่ไหมยิงทิ้งอะไรอย่างงี้นะฆ่าทิ้งไปซะเลยคือเร็วมาก็เร็วตอบจัดการไปเลยแต่ถ้าคนดีมาททำดีมาเอาเอาให้รางวัลให้ความดีตอบไปให้ก็ถูกนะเนี่ ย, ยก็บอกบอกคุณสมบัติของพระราชานี่ให้ฟัง อพอบอกเสร็จใช่ไหมาทางสารถีของของพระเจ้าพรมทัศน์ก็บอกว่าท่านกล่าวถึงพระคุณของพระราชาของท่านละหรือคือพูดง่ายๆว่าอ๋อนี่เหรอนี่เหรอคุณธรรมของพระราชาท่านเป็นอย่างนี้เหรอ พ, พูดภาษาเนี่ยหมายความว่ามันไม่น่าจะเป็นคุณธรรมเลยนะของพระราชาท่านทำอย่างเนี้ยจริงๆมันก็เหมือนอะไรอ่ะก็เหมือนชาวบ้านชาวช่องเหมือนอะไรธรรมดา ตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรอย่างเงี้ยนี่มันธรรมดาอ่แต่เขาพูดไพเราะนะบอกบอกนี่แค่นี้เลยเหรอเมื่อสารทีของพระเจ้าภาริกาตอบว่าใช่แล้วอ่าสารทีของพระเจ้าโพมทัศน์จึงกล่าวต่อไปว่าผิว่าเหล่านี้เป็นพระคุณสิ่งที่เป็นโทษจะมีเพียงไหนคือพูดง่ายโอ้คุณสมบัติอย่างนี้เหรอพระราชาท่านถ้าคุณสมบัติอย่างนี้เป็นคุณ ของพระราชาท่านเนี่ยโอ้โหโทษของพระราชาท่านนี่มันจะหนักขนาดไหนเนี่ยพราะคุณความดีขนาดนี้นะโอ้โหโทษจะขนาดไหนเพราะว่าใครไม่ดีมาไม่ดีตอบอะบอกโอ้โหนี่นี่ความดีของพระราชาท่านนะแล้วถ้าความไม่ดีของพระราชาท่านมันจะหนักขนาดไหนอย่างเงี้ยสารทีของพระเจ้าภาลิกะก็บอกว่าหากท่านคิดว่าเหล่านี้เป็นโทษมิใช่คุณก็แล้ว พระราชาของท่านมีคุณอย่างไรเล่าสรารทีของพระเจ้าพรหมทัตกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังพระเจ้าพรหมทัตแห่งพราณสีทรงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธคือใครโกรธใครดา่าใครว่ามาเ อ, อ้วอย่าไปโกรธเขาที่อ่าอันนี้ถึงจะคุณธรรมชั้นสูงขึ้นมาแล้ว อ่าไม่ใช่โกรธมาเหรอโกรธมาโกรธตอบนะอ้าออันนั้นคือคุณสมบัติอย่างของอพระเจ้าภาริกะแต่ของพระเจ้าพรหมทัตอ่าโกรธมาไม่โกรธตอบทรงชนะคนไม่ดีด้วยความดีเห็นไหมคนชั่วคนเลวร้วายก็หาวิธีการสิที่มันดีที่มันถูกต้องที่มันเป็นเมตตาที่จะช่วยเหลือก็ได้ ไม่ใช่เลวนักเลวนักก็ท่าทิ้งซะเลวนักก็จับอะไรติดคุกลูกเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้แก้ปัญหานะไอติดคุกมันก็อาจจะมีบ้างใช่ไหมโทษมันก็เป็นลำดับไปอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ว่าพระเจ้าพโมทัตเนี่ยจะชนะคนไม่ดีหรือชนะคนชั่วด้วยความดีวันโอ้โหใจต้องเย็นนะคนใจร้อนไม่ได้หรอก แค่บางทีเนี่ยเราไปทําดีอะไรไว้สังเกตไหมเอาแค่เราเองเนี่ยบางทีไม่ต้องอื่นไกลนาะมาในวัดนี่แหละเสร็จแล้วเอามาช่วยปัดกวาดวัดช่วยอะไรเสร็จปรากฏว่าบางทีมีคนเข้ามาเจอเข้าใช่ไหมบังเอิญบังเอิญเน่ยเราเกิด <c oughs> ไปวางไม่เป็นที่เป็นทางปัดกวาดเสร็จไปวางไม่เป็นที่เป็นทางเสร็จโดนคนเขาว่าอย่างเงี้ยเอาใครเอามาซีซั่วมาวางที่เรา ไม่รู้จักที่ที่ของมันวางอยู่ตรงโน้นเนี่ยบางทีเนี่ยอุตส่าห์มาทำดีนะโ อ, โอ้โดนคนติโดนคนว่าเขาน้อยใจคนน้อยใจนี่ก็ไปแอบนั่งน้ำตาตกในแล้วก็ไอ้วัดนี้วันหลังไม่มาแล้ว <c oughs> แต่ถ้าบางคนเนี่ยเป็นสายโทรสาหน่อยใช่ไหมอะไรอุตส่าห์มาทำดีอย่างนี้แล้วยังมา ถูกไหวใช่ไหมบางทีก็เลยว่ากลับเลยหรือประชดใส่เลยบางทีไอ้ที่ควาแล้วเอามาโปรยอย่างเก่าโกรธขึ้นมาจะทําอะไระ <c oughs> บางทีประชดนะทําเร็วไลา่ก็ได้อะนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเป็นคนดีเราจะไม่เนี่ยนะไม่เลยถ้าโดนตีโดนว่าโดนอะไรก็ยังคงเอาความดีเนี่ยชนะความไม่ดี เอาความเย็นชนะความร้อนเอาเขาโกรธมาเอาเราก็ใจเย็นๆพูดได้ก็พูดหรือว่าพูดบอกไม่ได้เขายังไม่เข้าใจเราอยู่เอา้าก็อโหสิกรรมไปนะอหิงสาอาโหสิไม่ต้องไปเบียดเบียนไม่ต้องไปอะไรเขาอืมเนี่ยนั่นนี่เป็นคุณสมบัติของพระเจ้าพรหมทัตเสร็จแล้วยังมีอีกทรงชนะคนตนีด้วยการให้ คุณจะสมบัติอีกข้อชนะคนตนีก็คือคนขี้เหนียวเนี่แหล ะ, ะด้วยการให้เพราะฉะนั้นจะเป็นผู้เสียสละเสียสละ จ, จริงๆไม่ใช่ว่ามีเยอะแยะแต่ไม่ให้ใครก็ยังเอาแต่กอบโกยไม่รู้จักทําบุญทําทานไม่ใช่พอทําบุญทําทานก็ไปเอาของคนอื่นเขามาทํอยางนะี้ไอ้ของตัวเองไม่ยอมสละเอ้า อย่างนี้มันจะไปได้บุญอะไรล่ะคนอื่นเขาได้นะเอาของคนอื่นเขามาทําบุญเนี่ยคนอื่นเขาได้ตัวเองไม่ได้หรอกอา่าเพราะมันมันของคนอื่นเขานี่ยมานจะอยากได้บุญก็ต้องเอาของตัวเองแหมเหมือนเหมือนที่ตอนต้นบอกอะ่ะที่ที่ไปจ้างเขาทําบุญเนี่ยเอากระของของเขาใช่ไหมเอาขอเขาให้เงินไปซื้อของเอาคนนี้มาทําเนี่ยบุญอันเนี้ยวัตถุทานนี่คนเจ้าของเขาได้ แต่เราอาจจะได้แรงได้แรงบุญได้ได้ทานอันนี้ได้อภัยทานมาเป็นแรงบุญอันนี้นะอันนี้ให้พวกเราเข้าใจด้วยเสร็จแล้วยังมีอีกท่านบอกว่าทรงชนะคนพูดหล่อแหลด้วยคำสัตย์นี่คือคุณสมบัติของพระเจ้าพรหมทัตคือเอาชนะคนที่หล่อแหลนี่อะไรพูด อ่าพูดกับกอกพูดมั่วไปกับมั่วมาไม่มีหลักไม่มีฐานพูดพูดไม่ตรงมั่งพูดไม่จริงมั่งเดี๋ยวพูดอย่างนี้ไปเปลี่ยนไปอย่าง น, น้นอ่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าพรมทัตนี่ไม่พูดอะไรแล้วต้องเป็นคำสัตว์พูดอย่างไหนก็ทำอย่างนั้นนะมีสัจจวาจาพูดอย่างไหนต้องอย่างนั้น อันนี้เป็นคุณสมบัติของพระเจ้าพระมหากษัตตรงนี้สําคัญนะเพราะว่าพระราชานี่เป็นไงสํานวนเขาว่าตรัสตัดกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคําพูดอย่างใดต้องอย่า ง, งานั้นวันคนที่จะเป็นระดับผู้นําอะไรนี่มาซีซัวพูดไม่ได้หรอกพูดอย่างงอนพูดอย่างนี้อะไรไม่ได้ไม่มีคนเคารพไม่มีคนนับถือหมดใครเขาจะเชื่อได้ล่ะพูด อ, อย่างนี้แล้วเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างอื่นนี่ไม่มีใครยอมรับนะ อันนี้ระดับสากล น, นะทั่วประเทศทั่วประเทศเพราะฉนั้นเขาจะยอมรับได้ต้องต้องซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์โดยเฉพาะคำสัตย์จะต้องมีอ่า น, นเสร็จแล้วก็บอกพระราชาของเรานี้เป็นเช่นนั้นดูกอรสารถีท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิดเมื่อสารถีของพระเจ้าพรหมทัตกล่าวอย่างนี้แล้วพระเจ้าพาลิกะก็เสด็จลงจากรถ ดูนะพอได้ได้ยิงสารถีคุยกันเท่านั้นเองฟังเสร็จพระเจ้าพลิกะโอ้โหได้ยินคุณสมบัติของพระเจ้าพร ม, มทัตเสร็จปั๊บสเสด็จลงจากรถสารถีก็ปลดมา้าถอยรถถวายทางให้แก่พระเจ้าพร ม, มทัตคือไม่ต้องเถียงเพราะว่าจริงๆท่านไม่ใช่กษัตริย์อะไรแอะแย่ๆนี่โอ้โหท่านเป็นยอดกษัตริย์เหมือนกัน ฟังแค่นี้ท่านรู้เลยว่าใครเหนือกว่าใครใครควรจะหลีกทางให้ใครใครมีบ้ามากบารมีกว่ากันรู้ได้เลยว่าใครควรจะถอยให้ใครรู้ได้ทันทีผู้ที่มีคุณธรรมจริงแล้วไม่ต้องใครมาบอกหรอกรู้ว่าใครเป็นผู้สะสมบุญบารมีม า, มากกว่ากันใครเป็นที่ยอมรับมากกว่ากันใครช่วยเหลือ ชาวบ้านชาวช่องใครอะไรต่ออะไรมากกว่ากันมันโอ้โหพยานหลักฐานอะไรต่างๆนี่มันชัดเจนทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนมีคุณธรรมจริงเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครมาบอกเลยแค่เนี่ยแค่ฟังเหตุผลแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเอ้ยเราสู้ไม่ได้เราควรจะถอยเราควรจะยอมแล้วเพราะ เรามีศีลน้อยกว่าหรือเรามีคุณธรรมน้อยกว่าผู้ที่มีศีลน้อยกว่าหรือคุณธรรมน้อยกว่าต้องยอมให้กับผู้ที่มีศีลสูงกว่าหรือมีคุณธรรมมากกว่าอันนี้ก็เป็นสัจจะอย่างหนึ่งในโลกของคนดีนะคนดีจะต้องเข้าใจอันนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจอันนี้นะอ่าสมณะเดินมาอ้า ชั้นตัวใหญ่กว่านะสำหนา้าตัวนิดเกลียวสำหนักคนจะหลบให้ <c oughs> โออย่างนี้นี่ไม่ได้นะไม่ได้วัดบอกแล้วไม่ได้วัดที่ไซนะไม่ได้วัดที่ขนาดาวัดที่คุณธรรมวัดที่ความดีอา้าวถ้าท่านดีจริงอะ่ะถ้ามีศีลสูงบ่าอา้าเราต้องใช่ไหมเราต้องยืนข้างทางแล้วนะยอมไมให้ท่านไปก่อนอนะพระเจ้าโพมทัต์จริงได้ถวายโอวาสแด่พระเจ้าพานิกะถึงการที่พระราชาควรปกครองโดยทำอย่างไร แล้วเสด็จกลับไปกรุงพระนสีทรงกระทําบุญเพิ่มพูนทางสวรรค์ <c oughs> ตราบจนกระทั่งสิ้นพระชนพระเจ้าพลิกะหลังจากทรงรับโอวาทของพระเจ้าพมทัศแล้วก็ทรงสอบถามชาวบ้านจนเสด็จไปถึงจนเสด็จไปทั่วพระนคร <c oughs> เมื่อไม่เห็นมีผู้ใดกล่าวโทษพระองค์จึงกระทําบุญเพิ่มพูนทางสวรรค์ นะจนกระทั่งสิ้นพระชนเช่นกันพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาเพื่อทรงถวายโอวาทแด่พระเจ้าโกศลแล้วทรงตัดว่านายสารถีของพระเจ้าพันลิกะครั้งนั้นได้มาเป็นพระโมคขาระนะในบัดนี้ไม่กระจอกนะสารถีไม่ใช่กระจอกนะสารถีนี่ระดับอดีตชาติของพระโมคขาระนะ ส่วนพระเจ้าพันลิกะได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้สารถีของพระเจ้าพระราสีได้มาเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้บินาถึงตอบเก่งเหลือเกินตอบจนสารถีอีกฝ่ายยอมเลยนะที่แท้เป็นอดีตชาติของพระสารีบุตรส่วนพระเจ้าโพรมทัตนั้นก็คือเราตถาคตนั่นเอง นจากชาดกเรื่องนี้อาตมาว่าเป็นแง่คิดดีๆให้กับพวกเรานะซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยไม่ยากเลยที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้มากบารมีแล้วเราจะตัดสินใ จ, ใจยังไงที่จะเลือกหรือที่จะรู้ว่าเออเราควรที่จะเคารพนับถือใครมากกว่ากันตรงเนี้ยอาตมาว่าง่ายมากนอกจากใครยังอะไรอะ ยังไม่ค่อยศึกษาธรรมะยังโมหะยังหลงตัวหลงตนอยู่เท่านั้นนะ่ะนะถึงได้หลับหูหลับตานะจะเลือกเอาตามที่ตัวเองชอบเท่านั้นแหละแต่ถ้าใครไม่หลับหูหลับตาเนี่ยลองแยกแยะสิมันไม่ยากเลยเอาตมาว่าง่ายมากง่ายมากนะครูอจาร์บอกง่ายมากคนจะทำดีเนี่ยง่ายมากสำหรับคนดีแต่มันยากมากนะทายากมากเลย คิดก็ยากมากเลยสำหรับคนที่ยังไม่ดีก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะั้นวันนี้นะได้แสดงธรรมเรื่องของผู้มากบา ร, รมีถ้าใครเข้าใจได้แล้วอาตมาคิดว่าก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยรู้ว่าผู้มากบา ร, รมีเนี่ยเป็นอย่างไรก็อย่าไปมัวคิดนอกตัวนอกตนเลยเอามองเข้ามาที่ตัวเราเองด้วยว่าเราเองเนี่ยนะสังสมบา ร, รมีให้กับตัวเองเนี่ยมากขึ้นแล้วหรือยัง นี่เดี๋ยวก็จะเข้าปัรหานะถือศีลให้ดีขึ้นหรื อ, อยังตั้งตบาบะหรื อ, อยังเพื่อที่จะเพิ่มบารมีของเราเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่อ า, อาจจะเป็นผู้มากบารมีบ้างนะเอา้าไม่ไม่ได้สงวนลิขิตทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้มากบารมีได้ทั้งหมดอยู่ที่การกระทำนะเพราะนั้นบันนี้ก็หวังว่า พวกเราทุกคนฟังทมแล้วเอาไปทา <c oughs> <c oughs> นะอย่าฟังทมแล้วเอาไปทิ้ง <c oughs> วันนี้กงแสดงตามไม่เพียงเท่านี้